ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประตรที่จะได้บรรยายในวันนี้ชื่อว่าสารพะสูตรเป็นประสตรที่ว่าด้วยปริภาชกชื่อสารพะมีใจความโดยสรุปในตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกุฎก ร, รุงราชคฤห์ สารพระปริพาชกซึ่งศึกไปจากเพศของภิกษุไม่นานก็ออกไปเที่ยวพรธนาเที่ยวประกาศในกรุงราชครึ์ว่าท่านเองนั้นรู้ทั่วถึงธรรมของสมณะสักยายบุตรหมดแล้วพวกภิกษุทั้งหลายไปได้ยินข้อความนั้น ก็นำเรื่องราวทั้งหมดมากราบทูลพระพุทธเจ้าและขออาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อารามของปริภาชกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําสับ ป, ปินีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุยดสนีคือนิ่งพอตกตอนเย็นก็ได้เสด็จไปที่อารามของปริภาชก คือวัดของปริพาชกพวกปริพาชกก็มาต้อนรับพร้อมด้วยสารภาพปริพาชกด้วยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามสารภาพปริพาชคว่าท่านกล่าวว่าท่านท่านรู้ทั่วถึงธรรมของสมณะสักยบุตรจริงหรือท่านรู้อย่างไรก็ขอให้บอกมาแือถ้าความรู้ของท่านยังบกพร่อง เราจะช่วยเพิ่มเติมให้แต่ถ้าหากว่าความรู้ของท่านถูกต้องเราจะอนโมทนาสรพัดปริพาชกนิ่งไม่ตอบรับสั่งถามครั้งที่สองครั้งที่สามเหมือนเดิมก็ยังไม่ตอบนั่งคอตกนิ่งไม่ยอมมองหน้าใครผู้ปริภาชกซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วย ก็มาบีบบังคับให้สารภาพปริพาชกตอบว่าที่คุยว่ารู้ทั่วถึงธรรมของสมณะศักยบุตรรู้ยังไงธรรมะนั่นว่าอย่างไงก็ขอให้บอกมาท่านก็ไม่บอกคือนั่งเฉยพวกปริพาชกก็ตำหนิว่าท่านนั้นเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่พยายามลอกเลียนแล้วเตี่ประกาศแก่คนทั้งหลายว่า จะร้องให้มีเสียงเหมือนกันราชสี็จแต่พอร้องมามันก็เป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเหมือนกนลาที่เอาหนังราชสี็จไปสวมข้าวเวลาส่งเสียงมันก็เป็นลาไม่ได้เป็นราชสี็จเมื่อสรารภาพปริภาชกไม่ตอบทั้งพระพุทธมรจดจถามและทั้งคําของพวกปริภาชกด้วยกันแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็รับสั่งว่า ใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่ารู้ทั่วถึงธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วตถาคตก็จะถามเขาในธรรมะเหล่านั้นแต่เขาตอบได้ก็อนโมทนาเขาถ้าเขาตอบไม่ได้หรื อ, อยังรู้ไม่ละเอียดก็จะช่วยเพิ่มเติบให้อีประการหนึ่งใครที่ไปคัดค้าน การปฏิญาณตนเป็นอรหรันตสมาสมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์คือไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระอรหรันตสมาสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จะเอาธรรมะที่คนระดับอรหรันตสมาสมัมพุทธเจ้ามาถามเขาให้เขาตอบถ้าเขาตอบไม่ได้ก็เป็นการยืนยันว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่า สัพพัญยุตยานคือความรู้ระดับพระอรหันตสมาคมสมุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรฐานะของพระองค์นั้นพระองค์กล้า บ, บัรเลือดุดราชสีบรนเลือในถ้ำกลางบริษัททั้งหลายว่าพระองค์เป็นอรหันตสมาคมพุทะและทำใดที่พระอรหันตสมาคมสมุทะจะต้องรู้พระองค์ก็ได้รู้ทำนั้นซึ่งก็ยินดีให้ใครๆก็ตามพิสูจได้ อีกประการหนึ่งถ้ า, ากว่าใครคัดค้านพระองค์ในฐานะเป็นนารหันตะขีนาศพระองค์ก็จะเอาธรรมะที่ทำคนให้เป็นพระนารหันตะขีนาพมาสอบถามเขาพาเขารู้เขาก็เห็นอย่างไรเราให้เขาตอบมาถ้าเขารู้ก็จะนุโมทนาแต่ในฐานะของพระองค์แล้ว การที่พระองค์ปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นเนอรหันตขี่นาศกิเลสอสวรเหล่าใดที่คนระดับพระอรหันต์ขี่นาศยังละไม่ได้พระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณฐานะเหล่านั้นเมื่อทรงแสดงธรรมเช่นนี้แล้วพวกปริภาชกและประชาชนที่มาประชุมกัน ก็ชื่นชมในภาสิทธ์ของพระพุทธเจ้าและได้บรรลุอริยมรรคอริยผลกันเป็นนั้นมากนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในพระสูตรแล้วข้อความพิสดารก็จะมีอยู่ในอัตกะถาคือเมื่อพระพุทธเจ้า บ, บังเกิดขึ้นแล้วเผยแผ่ศาสนาไปก็เริ่มต้นมาจากแพ้นกาสี คือที่เมืองพาราณสีการเผยแร่ศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเรามองหลักยุทธการสมัยโบราณในฐานะที่พระองค์เป็นขัตยกุมารก็จบศิลปศาสตร์ในด้านนี้มาแล้วแต่ท่านทั้งหลายลองเอาแผนที่ของอินเดียมากางแผนที่ที่บอกสถานที่ตั้งของบ้านเมืองโบราณแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ศึกษาถึงภูมิหลัง คือลักษณะทางสังคมในยุคสมัยนั้นเราจะเห็นว่าการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินแผนยุทธการไม่ใช่ อ, อนึกจะเทศก็เทศไปในการเผยแผ่ครั้งแรกนั้นได้เสด็จลงมาทางใต้ตั้งสองกว่ากิโลเพื่อเผยแผ่าศาสนาในแคว้นกาศีเมืองสาวัตถี ซึ่งเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นก็เป็นแหล่งเมืองเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีสมัยนั้นเป็นประการใหญ่ของศาสนาเชนซึ่งเกิดก่อนพระพุทธเจ้าหปีกำบังวิววาอยู่มากเลยเนื่องจากเป็นศาสดาองค์เดียวที่เกิดในวันณักษัตริย์นอกจากพระพุทธเจ้าก็ทั้ง น, นิครณ น, นาถบุตรเนี่ยเป็นวันณักษัตริย์ตามปกติฐานะของวันนักษัตริย์ ก, นน ก, ก็สูงอยู่แล้วพอเกิดมาเป็นศาสดาขึ้นอีกก็เลยสูงกันใหญ่ ศาสนาเชนแพร่หลายรุดเร็วมากเหมือนกันเนี่ยกเกิดก่อนหกปีแต่นั้นเองแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปไม่กี่วันก็ตีประการนี้แตกอิสยชนคือคนระดับนักปราศกับคนที่คุม เ, เศรษฐกิจของบ้านเมืองอยู่หันมานับถือพระพุทธศาสนามและพระองค์ขึ้นไปทางเหนืออีกสองร้อยกว่ากิโล เพื่อเปิดทางข้าวไปในแควนมคตก็ไปเอาพวกกุราณในชดินซึ่งเป็นนักปราดใหญ่ที่ชาวอังคะกรรมคตนับถือเสร็จแล้วมันก็ได้พวกนักปราดตอนนั้นก็พ0 0 9 0บันบงแล้วก็ข้าวกรุกราชเชคึอเอาอิสซชนมาอีกตั้งแสนสองมืน่นแสนสองมื่นคนมาเป็นลูกศิษย์ แล้วนักปราดอีกตั้ง250หสิคนทำให้ ก, การเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าประมาณเจเดือนนะที่นับตัวเลขได้พอรู้ตัวเลขนั้นคารวาดก็ประมาณแสนสองมืนกว่าคนที่เป็นนักบวชนักปราดที่คนรู้จักชื่อเสียงกันในสมัยนั้นก็ประมาณพ3 0สากว่าคน ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะเป็นไฟไหม้ป่ากันมาทีเดียวดังนั้นสถานะของนักบวชนอกาศาสนาโดยเฉพาะพวกเดรัจีกับปริภาชกตกตามเร็วคือแกขึ้นมาเร็วแกขึ้นมาก่อน6ปีเวลาตกก็ตกเร็วมากก็ทำให้เกิดกระทบกระเทือนในสถานะความเป็นอยู่คราวหนึ่งพวกปริภาชกก็มาประชุมปรึกษากัน ว่าศาสนาของพระสมณะโคโดมพวกสมณะสักยบุตรเผยแผ่เร็วเกินไปและทําให้พวกเราเสื่อมลาบสักการะลูกศิธิ์ลูกค้าที่เคยนับถือพวกเราก็หันไปนับถือสมณะโคโดมหมดลาบสักการะที่เคยเกิดแก่เราก็เกิดแก่พวกสมณะสักยบุตรหมดทํำยังไงถึงจะทํำลายล้างพวกสมณะสักยบุตรได้ก็ตกลงว่าให้หาความบกพร่องมันก็หาไม่เจอไม่รู้จะหาที่ไหน หาความบกพร่องที่จะชี้ประเด็นผิดของพระพุทธเจ้าเพราะก่อนจากนั้นก็เคยทําทีนึงแล้วนะฮะตอนที่พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเข้ามาบวชเคยทําทีหนึ่งแต่ตอนนั้นมันเป็นการให้ข้อมูลที่ที่อ่อนคือก็ปลุกระดมว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เข้าไปตัดสกุลวันก่อนนี่เอาพวกปุราณาชดินบวชให้ตั้งพันธ์มันนั่นก็ มาเอาพวกลูกศิษย์ของสัญชัยปรีภาโชคบวชอีกตั้ง250คนเป็นการปฏิบัติที่เข้าไปตัดสกุลเขาคือทำให้พ่อแม่พ่อทิ้งลูกสามีทิ้งพันยาลูกทิ้งพ่อแม่เพราะงั้นเป็นการตัดรากของสกุลทำให้สกุลเขาเสื่อมรู้เจ้าเขาใช้วิธีปลุกระดมอยู่ข้างนอกที่กรุงราชสุึ พระพุทธเจ้าต้องส่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายออกไปแก้ทีนี้การแก้ไขนั้นก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรเพราะสบายนั้นยังไม่มีคาราวาสปวดมีแต่นักบวดเก่าเข้ามาปวดเรื่องก็เงียบไปและทําให้เกียรติคุณของพระพุทธเจ้ากลับเด่นขึ้นมาอีกคนนับถือเพิ่มขึ้นรวดเร็วรุนแรงพวกนี้ก็เลยปรึกษากันว่าต้องหาไอ้ช่องที่เป็นจุดอันตรายให้ได้แล้วต้องชี้ไอ้โขมตีกระนำจุดนี้เอาให้แตกให้ได้ ก็นัดประชุมใหญ่กันเสร็จแล้วเ ม, เมื่อหาข้ออะไรไม่ได้มันก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งเวลาพระธรรมโบสถก็โบูชอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะฮะก็ใล้ายๆโบสถ์วัดบรวรเนี่ยถ้าพระมากเวลาทําโบสถ์มันต้องปิดประตูหน้าต่างหมดหน้าต่างไม่ต้องปิดแต่ว่าประตูต้องปิดเพราะคนจะเข้าไปในหัตถบัดไม่ได้มันจะทําให้เสียกรรมในกรณีโบสถ์เล็กนะฮะ หรือว่าอย่างบทวราดบาพิษวราชประดิษฐ์อันนี้ปิดทั้งวัดเลยกิจการทาสังฆกรรมต้องปิดประตูหมดทั้งวัดไก่ข้าวพระเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่กาวัดนะแต่พระข้าไปเสียกรรมทันทีเลยพัวนี้ก็เห็นว่าเออพวกสมณะสักยบุตรนี่คงจะมีเขาเรียกว่ามนกลับใจคนฮะมายาวีเออมนมนกลับใจคนคล้ายๆกับจะให้ พระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นพวกผีที่พวกหลอกลวงสะกดใจคนในใช้เวทมนต์คาถากลับใจคนเรียกว่ า, าวัตนีมายาอาวัตนีมายาเป็นมนต์กลับใจคนแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าไอ้มนต์นั่นมันเป็นยังไงตกลงกันเสร็จแล้วก็ปรึกษากันว่าเราจะจะหาจุดบกพร่องที่มาโจมตีพวก สมณะสักยบุตรคือพวกระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ตกลงกว่าจะต้องให้รู้อาวัตตนียมายาเนี่ยเร่มมนกลับใจเนี่ยเขาเรียกเอาเองนะฮะแต่ในที่สุดราก็ตกลงกันว่าการที่จะเข้าไปทื่อๆไปเรียนรู้นี่เป็นไปไม่ได้วิธีที่จะเอาให้ได้ผลก็คือต้องเข้าไปเป็นพวกคือทำตัวเข้าไปเป็นพวกของ พระสมณโคดมหรือพวกสาวกก็ตกลงว่าจะเป็นพวกก็เป็นพวกแหละจะให้ใครหลักเข้าไปตอนในที่ประชุมมันก็พูดก็พูดได้นะฮะเอาพูดเกง่งพวกแคก์เก่งพูดเก่งใหญ่เลยแต่ว่าทางานอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็หาคนไปไม่ได้ว่าใครที่จะเข้าไปเป็นพวกคลั่งความสนิทสนุมคุ้นเคยจน เขาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เรียนเอาอาวัตตนีายามนออกมาให้ได้ในที่สุดคนโน้นก็ไม่กล้าคนนี้ก็ไม่กล้าก็เรื่องทั้งหมดก็มาตกอยู่ที่ศั์สรารพัดปริภาชกสรารพัดปริภาชกอาสาแต่ก็มีเงื่อนไขบอกให้ข้าพเจ้าไปก็ได้แต่เมื่อกลับเมื่อเรียนอาวัตนีมายาอมดมาแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าให้เป็นหัวหน้า คือถ้าจะให้ทำงานก็ต้องให้ใหญ่ด้วยพวกปริภาชกก็ตกลมาจากจุดนี้ท่านจะเห็นว่ า, าโลกมนุษย์มันก็ย่ำย่ำเท้าคือหนึ่งเวลาคนอื่นเขาดีเด่นขึ้นมาจะมุ่งทำลายล้างเพราะริษยาไม่มีใครวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองนะฮะแต่จะมุ่งแก้ที่คนอื่นอันนี้มันรวยนักเลยปลดมันเฉยเลย คือใบเดนึกว่าเขารวยมาอย่างไงเนี่ยไม่แม้ไม่ได้คิดคือปล้นเพื่อมันจนเท่าเท่ากันนี่คือความคิดในลนักษณะแคบๆเพระาะฉะนั้นพวกปริพานธชคพวกอัญญาเดรถีทั้งหลายมันก็คิดเช่นเดียวกันคือแต่ที่เออพวกสมณะโคดมก็ทํำยังไงคนจึงเคารพนับถือรวดเร็วเช่นนี้เขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นทํายากเกินไปสู้ทําลาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่ในที่สุดการทําลายนี้มันก็เข้าสูตรนะฮะสูตรในการทําลายฝ่ายตรงกันข้ามนั้นเป็นสูตรที่ตายตัวตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทื่เขาใช้อยู่สองสูตรเท่านั้นเองสูตรแรกก็คือกุดราบถอนคนทําลายฝ่ายตรงกันข้ามนะั้นนั่นคือใช้วิธีของสงครามที่เขาก็ทําทํากันนะฮะแต่การทําในลักษณะนี้สําเร็จผลได้น้อยเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปฆ่าคนได้มากมายก่ายกองขนาดนั้น ขนาที่เลิกค่ายิวตั้งหล้านมันก็ยิวก็ยังเกลียดไกลยอยู่ในโลกวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลวิธีที่ได้ผลนั้นก็คือวิธีที่เข้าไปเป็นพวกเข้าเป็นพวกเดียวกันผสมทางสายเลือดผสมทางสจ้าุลผสมทางวัฒนธรรมผสมทางขนบธรรมเนียมประเพณีทัศนคติค่านิยมอะไรต่รางๆสอดสายของตัวเองลงไปโดยอาศัยการเวลานา น, านหน่อยแต่มั่นคง แล้วในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ยังอะไรนะที่เมืองจีนเวลาเนี่ยมันมีคนไทยอยู่ประมาณ80ล้านชื่อจ้วงพวกจ้วงเด๋ยวนี้ถูกครอบงาด้วยวัฒนธรรมนะเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพูดไทยได้แต่ว่ า, าการแต่งเนื้อแต่งตัวขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นจีนไปแล้วนี่คือใช้วิธีกลืนเออซึ่งเขาก็ใช้กันอยู่นะฮะ ใช้กันอยู่ในเรื่องต่างๆแม้แต่ที่าศาสนาครตกนิกายโรมาคาตอลิกเขามาทำก็ทําแนนี้แนวเข้าเป็นพวกแล้วก็ค่อยๆกระแทเข้าไปค่อยๆจับประเด็นต่างๆดึงเอาจุดดีของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองสารภาพปริภาชกก็ทําอย่างนั้นเข้ามาถึงกระทําดีได้เกิด น, นะข้ามาถึงกราบมาแต่ไกลเลยกราบมาแต่ไกล สนิสนมคุ้นเคยพระทำอะไรไปช่วยเหลือแสดงความอ่อนน้อมมากเลยแล้วก็ไหว้วให้ในทำอะไรทั้งก็ทําให้มีความอ่อนน้อมมีความเคารพนับถือยกย่องพระบันฑ์ทั้งหลายนั่นดีแล้วเลือกาศาสดาถูกต้องแล้วผิดก็เข้าไปเจา้าเลือกาศาสดาผิดหาความเจริญไม่ได้ก็ขอให้ท่านเจริญเจริญในาศาสนาเถอะก็อยู่มาจนพระไหว้เนื้อเชื่อใจ ก็นึกว่าคนนี้เป็นปริพันชกเป็นนักบวชนอกาศาสนาจริงแต่ก็มาด้วยความสุจริตใจก็เลยชวนให้บวชชวนให้บวชแกก็บอกว่าคงไม่มีใครบวชให้แกคือสมัยนั้นยังไม่มีกฎอย่างหนึ่งเขาเรียกติทยาปริวาสเป็นเป็นเหตุการณ์ตอนต้นพุทธสมัยติทยาปริวาส ต, ตามปกติแล้วนักบวชในาศาสนาอื่นในตอนหลังนะฮะจะเข้ามาบวชนั้นก็ต้องทดสอบก่อนสี่เดือนเป็นอย่างน้อย แล้วมีความศรัทธาจริงหรือเปล่าทําให้ศรัทธาจริงก็ไม่ให้บวชเพราะอะไรเพราะพวกปลอมบวชในลักษณะที่มาสแสวงหาผลประโยชน์หรือมาหาจุดบกพร่องเพื่อจะไปทำลายนั่นเองแต่ ร, รบเหตุนี้ขึ้นมาในตอนหลังจึงมีข้อบัญญัติแต่ว่าตอนนั้นยังยังไม่มีในที่สุดสารภาพปริภาชคก็ได้บวชบวชแกก็ตั้งใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหลือเกินนะฮะเรื่องมารยามารยาเนี่ย ม, มันมันถ้าใครแสดงแล้วก็แสดงปฏิบทให้แตกก็สนิทสนมพอสมควรพอถึงวันโบสดแกก็ไปร่วมโบสดก็ได้เห็นพระได้ยินพระสวดปาฏิโมกข์อย่างที่สวดกันเนี่ยฮะแต่สมัยนั้นก็ยังไม่ครบเหมือนปัจจุบันคร่อแกก็ถามอาจารย์ว่า ในสิ่งที่สวดกันเนี่ยมีความสําคัญมากไปอาจารย์ก็บอกมีความสําคัญประจาบใดที่พระวินัยยังมีอยู่ <c oughs> การประฤติปฏิบัติตามพระวินัยยังมีอยู่พระสัจธรรมคือพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหรือสรวลพุทธตพระพุทธศาสนาก็ยังดํารงอยู่ได้แก่ก็ขอเรียนอาจารย์ก็ให้เรียน แล้วก็แอบติดต่อกระทางสำนักอารามปรีภาชคอยู่เรื่อยๆทางโน้นก็มาสอบถามเรื่อยเสร็จแล้วยังเสร็จได้ยังออพอเรียนไปก็รู้สึกแกก็เรียนเร็วนะก็จบคือท่องได้ท่องได้ก็หลีกออกไปคือท่านใช้ครวมาหลีกออกไปหมายความว่าไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกคือหลีกไปเลยไปทั้งจีวรมาอย่างนั้นนะเพราะว่าสมัยก่อนนั้น ไอเครื่องนุ่งข่มไงว่ากันตามความเป็นจริงไงพระเราก็เที่ยงเทียงกันอย่างนั้นไงเราก็ไม่รู้ว่าสมัยเรเ จ, จ้าคข่มยังไงในเมืองไทยนั้นจะเห็นว่าเราข่มก็อยู่สองแนวแล้วไม่รู้ใครถูกใครผิดพระม่า ก, ก็ห่มอีกแนวหนึ่งลังกาก็อีกแนวหนึ่งยวนที่เบรก็ไปอีกแนวหนึงก็ไม่รู้ใครถูกเพราะเราก็ต่างคนก็เกิดไม่ทันด้วยกันแล้วก็ถือตัวเองว่าก็บวดถูกก็ข่มถูกด้วยกัน เพวกปริพาชกนั้นเพียงแต่นุ่งขาวทอนนั้นเองเพราะในวิธีนุ่งหง่มก็คงจะคล้ายคลึงกันนะเอาผ้าสองผืนมาผาดผาดก น, กนแล้วท่านก็ไปอยู่ในสำนักอารามปริพาชกแล้วก็ไปประกาศเพื่อต้องการได้เป็นหัวหน้านะไปประกาศกับพวกปริพาชกเหล่านั้นว่าตอนนี้ท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพวกปริพาชก ก็ยอมรับนับถือให้ท่านเป็นหัวหน้าแล้วก็จัดเป็นกระบวนไปประกาศตามบ้านตามเมืองตามกลุ่มชนทั้งหลายเพื่อจะให้คนเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่าศาสนาได้เร็วมีคนนับถือมากนั้นที่จริงก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เป็นเรื่องอาวัตตนีายามนต์นั่นเองคือคล้ายๆกับถูกไล่มนจนงงงันไปแล้วก็ไปยอมนับถือที่จริงคําสอนในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไร แกก็เที่ยวปลูกกระดมจนภิกษุไปได้ยินดังกล่าวตามปกติภิกษุนั้นถ้าท่านไม่จําเป็นท่านไม่ไปโต้นะฮะเพราะเพราะว่าชั้นเชิงชั้นเชิงมันมากแต่การโต้มันต้องมอบให้คนที่มือถึงถึงจริงๆภาษารีบุตรหรือใครเนี่ยจะไปโต้เพราะว่าเขานั้นเป็นเขาเขาทำเขาเตรียมตัวมาก็ เ, าเตรียมการมาว่าจะออกลูกนั้นลูกนี้อะไรแต่ไรเนี่ย นอกจากบางองค์ที่ท่านเชื่อมั่นเช่นเคยเล่าเรื่องพระสมิทธิอายุบวชได้สามพรรษาตั้งเงต่งโตแล้วแต่ว่าบางทีมันก็เกิดหลวมในถ้อยคำในโวหารเพราะไม่ซึ้งมากพอเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะฮะการที่จะไปโต้ตอบดังนั้นภิกษุก็ไม่โต้ตอบอะไรก็กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเองนั้นทรงรู้อะไรอยู่ตลอดแต่ว่ารอคอยนะครับรอคอยให้สถานการณ์มันสุกงอมเต็มที่จึงจะแก้ปัญหานี้ในตกกลางคืนก็สรงตรวจดูสัตว์โรคก็เห็นว่าถ้าพระองค์จะเสด็จไปจะมีคนรู้ข่าวแล้วตามไปบ้างตามไปเพื่อฝัง แล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นเมื่อพภิกษุทั้งหลายมากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงดุจสเน่คือนิ่งเพราะในประเด็นนิ่งเนี่ยฮะได้โปรดทราบว่าอย่างหนึ่ง เ, เราไม่ค่อยเข้าใจกันอย่างสมมติว่านิมนต์พระอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วพระนิ่งเราก็จะให้ท่านตอบรับมาให้ได้ที่จริงนิ่งนะรับแล้วนะครับนิ่งก็คือรับแล้วมันเป็นเป็นวิธี เป็นวิธีของของพระทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาคือถ้าตกลงแล้วก็นิ่งไปใช้นิ่งหมดเลยเวลาเขาบวชหน้าพิธีกรรมต่างๆท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระที่ประชุมกันนิ่งนั่นหมายความมาตกลงแต่พูดเรายุ่งนะถ้าพูดขึ้นมาสักองเรายุ ung, ่งเช้นบวชนาคในขณะที่สวดอยู่แล้วใครพูดขึ้นมาสักองคัดค้านสักองแล้วก็ต้องหยุดต้องหยุดต้องพิจารณาซักถามกันผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ก็ไม่รู้ นี่คือวิธีนิ่งทั้งหมดแต่ปัจจุบันนั้นถ้าเราลองสังเกตจะพบว่าเป็นการละเลยไปทั้งพระทั้งกรารว่ราดะการว่าก็ขอให้ได้ยืนยันให้ได้พระเลยก็ต้องยืนยันให้โยมพวกก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องยืนยันให้อะไปได้หรือไปไม่ได้อย่างนี้เนี่ยแท้ที่จริงวิธีนิ่งเนี่ยเชนว่าโทรศัพท์มามีหนังสือมาถ้าไม่ตอบแล้วก็แสดงว่าตกลง หรือแม้แต่มานิมนต์ด้วยปากก็เหมือนกันตอง น, นั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนิ่งหมายความว่าตกลงพอรุ่งคืนเช้าก็จะเสด็จทีนี้ทรงพิจารณาว่าพระองค์ควรจะเสด็จแต่ว่าไม่ใช่คือก่อนจากนั้นวันนึงนะฮะก่อนจากนั้นรับสั่งให้พระทุกทุกแห่งในกรุงราชครึกนั้นไปบินทบาบดพรองกับพระองค์ พรงก็นำไปบิดาบัดพอรุ่งขึ้นพระงก็เตรียมที่จะไปที่อารามปริพาชกริมแม่น้ำสปินีแล้วก็มาดำริว่าพระองค์ควรจะไปด้วยจำนวนพระสงฆ์ที่ตามเสด็จมากหรือว่าควรจะไปคนเดียวพระสงค์พิจารณาเห็นว่าถ้าจะไปกันมากๆ ชาวบ้านก็ตำหนิว่าเขาจะตำหนิเอาได้ว่าสมณะโคโดมอาศัยพวกมากเข้ากลมขู่รังแกพวกปริพาชกมีปัญหาเลยก็ไม่ได้บอกใครสเสด็จสเสด็จพุทธเนินไปลำพังพระองค์พอเข้าบริเวณแม่น้ำสัปีนีก็ฉายจับพันรังสีคือแสดงเต็มรูปสเสด็จนะฮะ จะผ่านนงสีฉายจะผ่านนังสีออกด้านละ ว, ว่าแล้วเข้าไปในสำนักของปริพาชกทีนี้ตอนเสด็จไปนไอ้ชาวบ้านก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นมิจฉาทิจิก็นึกว่าจะไปดูพระสมณะโคโดมถูกสารพะดปริพาชกซักเอาให้เหงื่อแตกก็จะดูด้วยความชื่นชมฝ่ายสมาธิ ก็มีมีความเห็นว่าวันนี้จะต้องได้ฟังธรรมะดีๆแน่เพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างนักบวชใหญ่คื อ, อกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มคนมากแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จโดยลำพังก็ตามคนนี้ก็ตามกันไปประชาชนก็ตามอันนี้ก็มีจุดอีกอย่างหนึ่งที่น่าศึกษานะฮะว่าไอภาวะวิกฤตตรงไหนก็ตาม ที่เหตุการณ์มันมีวิกฤตแรงมากแล้วก็ต้องต้องอาศัยไว้พริบ ป, ปฏิพาน์ อ, อ, อิทธิ ป, ปฏิหารอะไรแต่ะรต่างๆเข้ากันหลายเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จหลายองค์จะเสด็จองค์เดียวตลอดไม่ว่าห้ามทับของสักยะโกลิยะก็ดีโปรดองค์คุลีมานก็ดีไปทรมานคนร้ไรต่างๆเนี่ยจะเสด็จโดยลำพังแล้ว เป็นการเสด็จแนวเต็มยศด้วยนะครับคือจะฉายจักรังสีด้วยประตามปกติจะจะเป็นพระธรมธรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าใครไม่รู้หรอกถ้าถ้าไม่ฉายจักระังสีออกมาเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก่อนจะไม่รู้เพราะไม่มีอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นที่สังเกตเลยการที่มีพระเสียรเป็นมุ่นพระเมาลีก็ดีเป็นยอดแหลมก็ดีนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องความคิดแต่นั้นเองเป็นเรื่องจินตนาการที่สร้างขึ้นมา จาปฏิมากรซึ่งต้องการจะผสมผสานหมหาปุริศลักษณะกับอนุพยัญชนะที่ปรากฏในคำพีเข้าไว้ในรูปพระปฏิมา mm hmm. ก็เลยรูปก็ออกมาอย่างนั้น mm hmm. แต่ถ้าองค์พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลจริงๆไม่มีเครื่องหมาย mm hmm. ที่จะให้กำหนดรู้เลย mm hmm. นอกจากเสด็จกับพระก็คือไปข้างหน้ามันก็ดูออกนะฮะ ถ้าประทับนั่งพระจะล้อมครึ่งวงกลมก็ดูออกอีกแหละเพราะพระองค์จะหันหน้าหันพระพักไปทางพระแต่ถ้าเสด็จโดยลำพังอย่างตอนไปโปรดปุกุสาติกุลบุตรที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะก็ไปแบบพระธรรมดาก็ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้มันกแค่กบันลือสียนาทีนะก็ตัดไม้ข่มนามหน่อยก็เลยไปเต็มยศเป็นฉับพันรังสีไปเลย พวกปริพาชกพวกชาวบ้านก็ประชุมพร้อมร้อมกันทีนี้คำถามนั้นเป็นคำถามที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณามากเลยไม่ไม่ไม่มีแววอะไรมั น, ม, นมันชนะกันในเชิงจิตวิทยาแล้วชนะกันในชีแล้วเพราะแทนที่พระพุทธเจ้าจะไปตาหนิติเตียนสารพะปริพาชกว่าเธอหลอกลวงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรเลย ถามว่าเธอปฏิ ญ, ญาณว่ารู้ทั่วถึงธรรมของสมณะสักยบุตรจริงหรือรู้อย่างไรก็ให้บอกมาถ้ายัางบกพร่องอยู่ก็จะช่วยเติมให้สมบูรณ์ถ้ารู้สมบูรณ์แล้วก็จะขอนโมทนาสาธุการด้วยและเท่านั้นครับประประสงค์ที่เส ด, ด็จมาเป็นการเส ด, ด็จมาถามเฉพาะตรงนี้จะมีเพียงสองสองเป้าหมายเท่านั้นเอง ซึ่งเป้าหมายทั้งสองประการนั้นเป็นเป้าหมายที่มากไปด้วยกะรูณาในเป้าหมายแรกมากไปด้วยบริสุทธิ์ในเป้าหมายที่สองเป้าหมายแรกเมื่อเขายืนยันว่าเขารู้ก็ควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขารู้แต่แต่ตสิ่งที่เขาบอกเขารู้ไม่มีความสมบูรณ์ก็จะช่วยเพิ่มเติมให้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระหมหากรุณาของพระพุทธเจ้า แต่ส่วนที่สมมุติว่าเขาบอกเขารู้แล้วเขายืนยันได้ถูกต้องพระองค์ก็จะอนุโมทนาคือชื่นชมแสดงความชื่นชมยินดีกับเขานี้มันสะท้อนให้เห็นพระคุณและนอกจากสะท้อนให้เห็นพระคุณแล้วเออก็จะสะท้อนออกต่อไปอว่าหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเราเรียกว่าเอตังบุตานาสาสนางัง คือเป็นคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยคําสอนของคนหลายระดับไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้านั้นมากที่สุดแต่นั้นเองรองลงมาคือภาษาริบุตรและยังมีคําสอนของนักปรารถราชบัณฑิตในสมัยอดีตการก็มีเป็นนั้นมากสมัยนั้นก็มีเป็นนั้นมากซึ่งเมื่อเป็นความถูกต้องดีงามแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงรับและอนโมทนานี่แสดงเห็นถึงพระปัญญาและพระบริสุทธิ์คุณของพระพุทธเจ้าออกมาอย่างเด่นชัดเลยใครพูดถูกก็ถูกนะที่จริงมันถูกอย่างเดียวแต่นั้นเองเมื่อเมื่อคนหนึ่งพูดถูกอีกคนอีกคนหนึ่งเอามาพูดอีกมันก็ถูกอีกศาสนาธรรมก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอาธิพรหมจารย์คือเบื้องต้นเป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติดีนั้น ใครในที่ไหนก็พอพูดกันได้นะไม่จําเป็นจะต้องจัดสรู้อะไรแต่ระดับจัดสรูปถ้าให้จัดสรุปก็รู้ไม่ได้แต่นั้นเองแต่จากจุดการจัดสรูปของพระพุทธเจ้านั้นทําให้พระองค์รู้วัฏทะของคนอื่นความคิดความเห็นของคนอื่นทัศนคติของคนอื่นที่มีมาแล้วในอดีตการนานไกลก็รู้แล้วคนในสมัยนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างไรก็ทรงรู้ถ้าถูกต้องก็ทรงอนุโมทนาเขานะฮะ อันโมทนาแล้วก็ยกวาทะคนนั้นมาเชิดชูในท้ำกลางสมาคมต่างๆด้วยนี่คือลักษณะเด่นของพระพุทธเจ้าที่สะท้อนให้เห็นพระคุณของพระองค์ชัดเจนมากคำถามทั้งหมดนั้นถามที่จริงก็ไม่ใช่ยากอะไรนะฮะจะตอบแต่ว่าเนื่องจากสระพะปริพาชกแก่ไม่จริงทักอย่างหนึ่ง คือแกรู้ก็รู้ไม่จริงคนในลักษณะนี้มีแยะจนบางครั้งก็บัญญัติขึ้นเป็นวินัยก็มีซับไอสารพะตอนนั้นเราถือว่าแกศึกไปแล้วนะฮะคือไม่เอาแกมาซักซในในในด้านวินยัยแต่ถ้าแกยังไม่ศึกนี้มันต้องเข้าสู่สมาคมแล้วเพราะวการพูดอย่างนั้น เ, เป็นการตู่พระพุทธวจนะแล้วคนที่จะรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นพระอระหรันต ไม่เจ่สาบนรชนดังนั้นสารพยาไอสรารพระปริภาชกจึงตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สรุปแสดงให้ฟังว่าคือคนที่ไปประกาศยืนยันในลักษณะเช่นนี้ส่วนมากแล้วมันจะมีอยู่สามพวกด้วยกันพวกหนึ่งคือรู้จริงยืนยันตามความรู้จริง องค์ก็อนุโมทนาเขาคําว่ารู้จริงไม่ใช่รู้ตลอดนะฮะหมายความมารู้จริงในจุดนั้นๆในจุดใดก็ตามเป็นความรู้จริงของเขาพระองค์ก็อนุโมทนาในส่วนนั้นยกตัวอย่างเช่นสนางกุมารพรท่านกล่าวว่าในหมู่มนุษย์ที่รังเกียจกันโดยชาติกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็จริง เตจริงในส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุโมทน า, าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือว่าเทวดาตนหนึ่งมากล่าวว่าการย่อมผ่านไปเวลาแห่งชีวิตย่อมผ่านไปแล้วดึงบุคคลให้ใกล้เข้าไปสู่ความตายทุกขณะคนที่พิจารณาเห็นเช่นนี้ควรกระทำบุญอนานวยความสุขให้ในโลกหน้าก็เป็นความถูกต้องชั้นหนึ่งก็อนุโมทนา อีกกลุ่มหนึ่งนั้นมันมีความบกพร่องคือเข้าใจในแง่หนึ่ ง, ง, งอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการมองปัญหาแล้วก็ติดอยู่ที่มุมอับๆพระพุทธเจ้าจะขยายเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้จากส่วนที่เขารู้อยู่แล้วเพื่อเขาได้รับประโยชน์จริงๆนี่ก็มีอยู่เป็นนันมากน ะ, ะครับคสอนในลักษณะคําพูดในลักษณะนี้ คือจะร่งเพิ่มให้เจนก็พูดมาเรื่องทานวันก่อนที่เคยเล่าเรื่องอะไรสตุลละปะกาจิกาเทวดาคือท่านพูดเรื่องทานมาเรืย ๆ, ๆ, ๆมันถูกตัวทุกจุดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าการให้ทานนั้นจะต้องพัฒนามาในจุดที่สลายโทสะได้ด้วยคือต้องให้อภัยทานได้ พระทานที่ให้รูปวัตถุนั้นเป็นการคายจัดมัชริยะคือความสนิ่หรือโลภะ ค, ความโลภพระนั้นแต่ความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเหตุให้ตกกบา ย, ย ม, มุตกตกบายได้การให้ทานต้องพัฒนามาในจุดของนามธรรมาอาจจะอาศัยรูปธปรรมก่อนแต่ในที่สุดก็จะต้องขึ้นมาถึงจุดที่เป็นนามธรรมาจึงทรงเพิ่มการให้อภัย และในขณะเดียวกันก็ให้กระจายความคิดเห็นที่ถูกต้องนั้นออกไปแก่คนอื่นนั่นก็คือให้ธรรมทานที่ทรงแสดงว่าสัปดานังธรรมดานางชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนี่ก็เป็นการเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมเขาก็รู้กันอยู่แล้วนิดหน่อยได้ประโยชน์ในชั้นหนึ่งแต่จะให้สมบูรณ์มันก็ต้องเดินมาในจุดของการให้อภัยได้ แล้วก็เผื่อแผ่ความรู้เหตุผลความดีแก่ผู้คนอื่นได้ด้วยแต่อีกพวกหนึ่งมันก็แนวเนี้ยแนวสราระัปริพาชคเนี่ยคุยโมโ ด, ดังลัดไปหมดเลยพอซักถามเข้าไปไม่ได้มันก็เหมือนกับพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อพระโลลุทายีโลท่านท่านชื่ออุทายีนะฮะที่จริงอุทายีชื่อดีนะถ้าแปลเป็นไทยก็รุ่งเรืองสว่างอะไรเนี่ยแต่ว่า ท่านอุทายีนี้ก็ท่านท่านเลอะมากะเขาเรียกว่าโลลุทายีอุทายีเลอะไปทำอะไรแล้วก็มั่วหมดแต่ชอบเบง่งชอบอวดวันหนึ่งพระสารีบุตรขึ้นเทศกับพระอนุรุษขึ้นเทศชาวบ้านชื่นชมยินดียกย่องกันใหญ่โอ้ภัยระลึกซึ้งขมคายจับใจ พระอุทายีบอกหมายพวกนี้นะนี่ขนาดได้ฟังภาษาดิบุตรพระอนุรุธเทศนะยกย่องกันขนาดนี้ถ้าฟังเราเทศี่จะยกย่องขนาดไหนชาวบ้านก็เห็นว่าโอ้โนี่หลวงพ่อนี่สงสัยจะเก่งกว่าภาษาดิบุตรเออก็ไปนิมนต์ในเทศนนิมนต์ในเทศตอนกลางคืนท่านบอกไปเดี๋ยวคอย่คอยเทศตอนเที่ยงคืนก็ตกลงว่าคนอื่นก็เทศต่อไปพอถึงเที่ยงคืนชาวบ้านก็นมานิมนต์ บอกให้คนอื่นเทศไปก่อนไปเดี๋ยวอามาจะเทศใกล้ๆรุ่งพอใกล้ๆรุ่งพอเขาเขาในมนบอกให้คนอื่นเทศไปก่อนไม่เป็นไรอามาจะเทศตอนเช้าเองเทศรุ่งนะก็เทศรุ่งกันพอถึงตอนเช้าก็ยังไม่ยอมเทศนั่นชาวบ้านไล่เลยไล่ใหญ่วิ่งมาเลยไปตกสุวมนิ่งตกซุวมก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าพระโลโลทายีเนี่ยทำไม่ทําอย่างเงี้ยพรพุทธเจ้าบอกงั้ไอ้นี่เขาเลอะมานานแล้ว ชาติก่อนก็เลอะแล้วก็รับสั่งเล่านะครับรับสั่งเล่าที่ ท, ท่านเลอะสมัยก่อนชาติก่อนคือท่านท่านเป็นพ่อของปุโรหิตแต่ว่ามีอาชีพในการทำนานะฮะโคตัวหนึ่งตายก็บอกลูกชายว่าให้จี้อขอโคจากพระราชาให้สักตัวชายบอกว่าผมขอไม่ดีหรอกพ่อไปขอเองดีกว่า ผมเป็นข้าราชการตกลงก็ท่องให้พ่อท่องคาถาจะอย่างดีไปขอคาถานั้นบอกว่าข้าพระองค์ย่อมไถนาด้วยโคคู่โคสองตัวแต่ว่าโคสองตัวนั้นโคตัวหนึ่งตายที่แล้วก็ขอพระองค์ผู้สมมติเทพได้โปรดประทานโคตัวที่สองให้แก่ข้าพระองค์ด้วยท่องจะจำแนนะพอไปถึงอะไรเสร็จว่าได้ดีบรรทัดแรกว่าได้ดี ข้าพระองค์ถ่ายนาด้วยโคสองตัวโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งตายไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดรับโคตัวที่สองไปด้วยบอกให้ก็ได้เลยบอกไปขอโคเลยบอกให้ก็ได้เลยวอดี้พระราชาทั้งก็ถามปุโรหิตซึ่งเป็นลูกชายว่าเป็นไงสมุทัศน์บ้านเธอโคเยอะเหรอสมุทัตก็บอกว่าโคที่พระองค์ประทานก็เยอะนะแต่เลยได้โคมากอันนี้ก็คือมั น, มนก็เลิกมันเลอกมาตั้งแต่ชาติก่อนอนะ่ะ เพราะงั้นถ้าเจอใครเลอะเอะก็คิดแต่ว่าเขาเคยเลอะมานานแล้วช่างแลกันละปล่อยไม่อย่างงั้นก็ทํายังไงได้ก็มาเจอกันแล้วเลอะก็เลอะไปเพราะเขาเลอะมาตั้งมาก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งเลอะเมื่อชาตินี้แล้วทีนี่จากข้อ น, นี้แหละท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไอ้คนประเภทที่คุยๆไอ้พวก อ, อะไรเก่งกาดสามารถไปเนี่ยเพราะว่าใจมันก็ไม่มีอะไรอย่างสารพัดปริภาชกในที่สุดก็จํำนน เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นเองทีนี้ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับปริพาชกนะฮะเหตแสดงว่าพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสมาธิสมุทธะที่จริงตรงนี้มีสข้อนะฮะเขาเรียกเวสาระชะกณญาณคือพระญาณที่ทำให้พระองค์มีความกล้าหาญไม่คั่งคลามขำเกรงใน ทำกลางบริษัททั้งหลายคือจะเป็นใครใหญ่โตยังไงก็ตามพระองค์กล้ายืนยันฐานะของพระองค์แล้วก็ให้คนอื่นก็พิสูจน์ได้แต่ว่าในที่นี้ทรงยกมาเพียงสองข้อสองข้อแรกอีกสองข้อที่สองไม่เอามาคือพระองค์ปฏิญาณฐานะของอรหันตสมาสัมพุทธเจ้านั้นธรรมะอันใดที่คนระดับพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้เนี่ยพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณ เพราะงั้นจะพบว่าในท้ายของปฐมเทศนาคือธรรมจักกวัตนาสูตรได้แสดงแก่ท่านปัญจวคีว่าตราบใดที่ยานสามซึ่งเป็นไปในอริสัต4มีรอบสามเมืาการ12ของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสัมมาสมัมพุทธะในทรรกลางเทวดามารพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเพียงนั้น แต่เพราะยานสามซึ่งเกิดขึ้นในเอริยาสัตทั้ง4มีรอบสามมีอาการ12ของเราบริสุทธิ์หมดจดุดเราจึงได้ปฏิยานว่าเป็นอรหันตสมาสม ธ, ธิในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนเป็นการยืนยันตามสัตรหรือตามความเป็นจริงแล้วการยืนยันเป็นอรหันตขีนาศก็เหมือนกัน พระขีนาสพแปลว่าผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วคือไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะเหล่าใดที่พระขีนาสบทั้งหลายจะละได้นั้นพระพุทธเจ้าก็ละได้หมดแล้วจึงได้กล้ายืนยันและปฏิญาณเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมะนั้นเฉพาะในตอนนี้นะฮะพระอาจารย์ท่านยกมาสี่ข้อ ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอสุภกรรมฐานนิการยกตาสติเพื่อบันเทาราคะเพื่อบันเทาราคะทั้งหลายในความกำหนัดความยึด จ, จิตทั้งหลายทรงแสดงเมตตาภาวนามเพื่อบันเทาโทสะทรงแสดงสัจะธรรมเพื่อบันเทาโมหะทรงแสดงอนาปานาสติ คือการตั้งสติกำหนดระลึกดูที่ดมหายใจเข้าออกเพื่อบันทาวิตกนี่ท่านก็ยกตัวอย่างมาเฉพาะสี่ข้อนะฮะทีนี้พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยก็มุ่งที่จะขจัดขจัดเหตุแห่งความเศร้าหมองทั้งหลายเฉพาะในที่นี้พระองค์ต้องการจะชี้แจงให้มหาสมาคม คือเป็นมันเป็นมหาสมาคมไปเพราะคนติดตามมามากให้มหาสมาคมนั้นได้ย้อนกลับมาจับมาตั้งหลักใหม่เพราะถูกพวกพวกนี้มันปลุกระดมเสียหวั่นไหวไปไม่เบาเหมือนกันมาตั้งหลักใหม่ว่าพระองค์นั้นจัดสรู้เป็นอรหันตสมาคมพุทธเจ้าและเป็นอรหันตขีณาสบพาราะวันใครจะไปยืนยันปฏิญาณมารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์นั้น แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นอารหันตะนคีนาสุขหรือเป็นอารหันต์มาตบพุท ธ, ธะก็สองอย่างเป็นการแสดงให้คิดเอาว่าคนอย่างสรพพะปริภาชกเนี่จะรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ได้หรือไม่แต่ให้คนคิดตอาเองไม่ได้รับสั่งอะไรนะคนฟังต้องคิดตอาเองได้ พอสอบถามเข้าสรารพระปริพาชกก็แสดงชัดเจนว่าที่จริงที่พูดนั้นเป็นการคุยเคือง เ, อเฉยๆตัวเองไม่ได้รู้อะไรประการต่อไปก็คืออุปมาณนะครับพวกปริภาชกตามปกติแล้วเป็นนักบวชประเภทดีพวกสมณะปริพาโชคสมณะปริภาชกชดินดาบทนะฮะสมณะปริภาชกชดินดาบทคือนักบวชในสมัยน้ำเยอะเหลือเกิน ถ้าเราเรียกรวมๆนั้นเราเรียกว่าดิรกทีถ้าเรียกเจาะจงพวกนิครนเราเรียกว่าอัญญะดิรกทีแต่ว่าพวกปริพาชกจะเรียกชื่อตรงๆเรียกปริพาชกปริชาพาชกเป็นนักบวชประเภทเร่ร่อนแต่เป็นสมาทิทิไม่ห้ามสวรรค์แต่ก็ห้ามนิพพานเพราะอะไรเพราะปฏิป ประธาของท่านไม่ใช่ทางไปนิพพานแต่าไปสวรรค์ได้เป็นสุคติได้ท่านคงคง น, นึกออกว่าตอนพระพุทธเจ้าจะไป น, นิพพานนั้นมีปริพาชกคนหนึ่งมาขอบวชก็ให้บวชได้เลยโดยไม่ต้องอยู่ติทยาภริวาสสเดือนเนื่องจากท่านนี้ว่าเป็นกิริยวาทะคือกล่าวความมีอของบาปของบุญของกรรมทั้งหลายเป็นกิริยวาทะ ยอมรับความไม่อยู่ของบุญของบาปของผลศีลผลทานมารดาบิดาลูกนี้ลูกหน้าเป็นต้นเนี่ยดังนั้นเขาก็อยู่ในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญแต่ทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในถ้ำเสือนะฮะก็เข้าไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นประจักษ์เช่นนั้นเนี่ยปริพาชกชื่นชมมากโบโกอัศจรรย์จริงๆ ประสา ม, มนาโคดมในอัศจรรย์จริงๆเลยขนาดสัพยพยไสสารพะปริภาชกไปใส่ร้ายไปไป้ายสีไปเตี๋วหลอกลวงแต่พระองค์กลับไม่แสดงให้เห็นว่าโกรธเกลียดไม่พอใจอะไรเลยกลับแสดงถึงความเมตตากรุณามุ่งดีหวังดีต่อสรารพะปริภาชกจุดนี้มันเป็นจุดสลายนะเป็นเป็นการเป็นการสลายศัตรูให้เป็นมิตร คือแทนที่จะไปเกลี้ยกราดจะไปอะไรนั้นนอกจากไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างหนึ่งในการทำในการทำงานในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลทั้งหลายคือแทนที่จะเอาไม่ดีนำไปข้างหน้ามันก็ควรจะเอาดีนำไปข้างหน้าเพื่อคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นและอีกประเด็นหนึ่ง ท, ที่ท่านทั้งหลายควรจะสังเกตเอาไว้นั้นคือการโต้อตอบ การโต้ตอบพระพุทธเจ้านั้นนักโต้ชั้นยอดเลยแหละไอชาวพุทธเราก็หลงประเด็นอยู่เป็นอันมากใครด่าใครว่าอะไรแต่ไรไม่โต้ตอบไอไม่โต้ตอบบางเรื่องน้ะจริงนะฮะคือเสียเวลาเปล่าๆก็ไม่รู้จะโต้ตอบทาอะไรแต่บางเรื่องไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงไม่อธิบายไม่ได้ต้องโต้ตอบต้องชี้แจงต้องอธิบาย อย่างในกรณีนี้นะฮะกรณีนี้รบหลอยให้สรารพระปรีพา์ชกไปปลุกระดมโดยเราไม่แก้อะไรเลยนี่จบเอาได้ง่ายๆเหมือนกันนะจบวอาได้ง่ายๆเลยเพราะคนจะเชื่อจะไว้ตามจะร้อยตามแล้วพวกนี้เขาพูดได้เขาไม่ได้คำหนึ่งถึงศีลถึงธรรมอะไรเขาพูดเพลินๆเขาไปเขาเรื่อยนะชาวพุทธเราจะต้องระมัดระวังกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมกลัวจะผิดศีล โดยเฉพาะพระสมัยนั้นท่านก็เป็นพระอริยะส่วนมากสต่มายุคต้นๆเนี่ยท่านก็ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่มันก็เรียบๆไปฝ่ายโน้นเขาแรงฝ่ายนี้เรียบเดี๋ยวก็เสียฐานหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องเสด็จออกไปชี้แจงการชี้แจงเป็นโลกาอนกรรมปรกาคืออนุเคราะห์โลกตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์โลกพวกไหนอนุเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปแม่หลงผิดตามที่สารพัด ปริพาชคไปที่พุทธอนุกรอบคนที่มาประชุมกันในที่นั้นในในสมาคมนั้นให้ได้หลักให้ได้เหตุได้ผลได้ความเข้าใจซึ่งคนที่ไปกันสองกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็กลับเป็นสัมมาทิฏฐิได้กลุ่มที่สัมมาทิฏฐิอยู่แล้วก็จะมีความมั่นคงมีปีติปราโมทย์ได้รับผลแห่งธรรมากิ่งค์คนนี่ก็คือการทํางานที่มุ่งประโยชน์ แกบุคคลอื่นซึ่งเป็นจุดเด่นของพระพุทธเจ้านะฮะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่าโล ก, กนาฏบ้างโลกเชิดบ้างโลกนาถะไ้โล ก, ก, น, โล ก, กนาถะคือที่พึ่งของโลกบ้างเป็นใหญ่แห่งโลกบ้างโลกานกรรมปรโกคือผู้อนุเคราะห์โลกบ้างาชื่อเรียกแยะเลยอย่างในอุบาลีวาตสูตรนี้ท่านเรียกชื่อตั้งร้อยนะฮะ มีชื่อพระพุทธเจ้าอยู่ร้อยชื่อเลยกันแล้วท่านก็อุบาลีท่านเรียกของท่านเองอะ่ะท่านยกจ้องสรรเสริญกล่าวขึ้นมาเป็นคำฉันนั้เก่งมากทีเดียกล่าวรวดเดียวได้ทีละสิบข้อสิบข้อสิบข้อ1ิบข้อก็จัดเป็นสิบหมวดร้อยข้อได้กันเป็นความสามารถของท่านพวกปริพาชกเมื่อแกเห็นเป็นเช่นนั้น แกก็กล่าวอุปมาแต่อุปมานี่ก็ก็สะใจน่าดูนะฮะมันบอกว่าเหมือนกับธุนักจิ้งจอกเที่ยะต่ประกาศท้าทายในที่ต่างๆจะบรรลือเสียนาฏเหมือนกับราชสีหรือมันทำไม่ได้เพราะถึงทำยังไงมันก็เป็นธุนักจิ้งจอกอยู่นั่นเอง ไอ้คำพูดในทํานองอุปมาเปรียบเทียบแนวนี้นะฮะในพระสูตรนี้มียอะคือท่านเข้าใจเข้าใจอุปมาอุปมาได้ไพเราะมากแล้วเราก็มองเห็นภาพว่าคนประเภทหนึ่งที่ประเภทอะไรนะที่ที่ที่ไทยก็ว่าเห็นคนขึ้นคานหามอม เ, เอามือประสานก้นคือฐานะของตัวเองไม่ไม่อยู่ในจุดที่จะทําอย่างนั้นได้ แต่ก็าลาบสการะชื่อเสียงยั่วยุจิตใจก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะทําเช่นนั้นอย่างสารพัดปริภาชกก็มีลักษณะอย่างนั้นในการที่ลาเอาหนังราชสีมาคลุมก็ดีสุนัขจิ่งจอกก็จะบันลือเสียหนาาเป็นราชสีก็ดีจึงเป็นตัวอย่างที่เตือนให้สารพัดปริภาชกและคนทั้งหลายได้ระหนักว่า ไองานบางอย่างภารกิจบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะคนที่เขาฝึกปรืออบรมมาในทางนั้นดีแล้วไม่ใช่ว่าใครๆทุกคนจะไปรู้จะไปทําได้ไปทุกอย่างซึ่งข้อนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะบรรดาด็อกเตอร์ไม่ใช่ทั้งหลายนะฮะด็อกเตอร์บางคนด็อกเตอร์นี่ท่านเก่งหมดเลยเก่งจริงๆไ ม, ไม่ไม่ว่าพูดอะไรท่านไปหมดเลย คือใกล้ๆครับโอ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรในโลกนี้ฉันไม่รู้ด อ, อร์ทางมาแรงมานั่งพูดปรัชญาชัดๆัดๆๆถูกไม่ถูกไม่รู้เพื่อนดอกเอรพูดเลยเชื่อก็ก็เนี้ยที่จริงเราจะไปรู้ทุกอย่างนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็มีสายของเรามีความถนัดในสายของเราเท่านั้นเองต่อไปก็คือเรื่องอาวัตตนีายามนนะ อวตัตรนีายามนั้นเป็นคำใส่ร้ายพ ร, ระพุทธเจ้ามาตลอดคือคนสมัยนั้นเขาทึ่งเขาอัศจรรย์อย่างคนบางคนมานัทธตพราม์เนี่ยเกิดมาชาตินลงไม่ไหวใครเลยแม้แต่กับพ่อแม่ยังไม่เชื่อฟังยังไม่ไหวโตเป็นหนุ่มแล้วยังไม่เคยไหว้ใครในเกิดก็ด้างมากวันหนึ่งแกไปภาพระพุทธเจ้า ทำกลางคนฟังเทศอยู่แย่นะฮะแล้วแกคิดแกไม่ได้พูดอะไรแกคิดแกคิดบอกว่าเราจะไปหาปะสมณะโคโดมซึ่งกําลังแสดงธรรมอยู่ทากลางบริษัทถ้าพระมหาสมณะโคโดมพูดด้วยเราก็จะพูดทำไมพูดด้วยเราก็จะไม่พูดนะคิดไปพระุทธเจ้าก็ทับเทศเฉยพูดเรื่องอื่นเฉยไม่ไม ไ, มไม่ได้หารมาดูเลย มานาธิปธามมานะมันขึ้นจุดๆขึ้นมาเลยือสมณาโคโดมไม่ได้วควา ม, มรู้อะไรแกคิดเอานะพระพุทธเจ้ารับสั่งย้อนเลยตรงนั้นนะ่ยพรามคนเรามีมานาไม่ดีหรอกเรามาเพื่อประโยชน์อะไรบางคนจะได้ประโยชน์สิ่งนั้นตกใจเลยตกใจวิ่งเข้าไปกราบเลยฮะกราบแล้วจุมพิษที่ประบาดอันนี้คือความเคารพสูงสุดอนะ ความเคารพสูงสุดของของอารยาันของอินเดียสมัยนั้นคือจุมพิษที่เท้าจุมพิษที่เท้าแล้วก็สูงสุดถ้าท่านไปเมืองแขกท่านคงจะสังเกตเห็นนักศึกษาเวลาแกเจออาจารย์นะแกจะจับที่เท้าแล้วก็รูปหัวก้มลงจับที่เทารูบหัวนี่คือแสดงความเคารพเพราะงั้นการที่พระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะ เป็นศาสตราในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความกรุณาความบริสุทธิ์และพระปัญญาสามารถแก้ไขธรมานเปลี่ยนแปลงคนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทุกลำดับชั้นเข้ามาเป็นลูกศิษย์ได้ทำให้พวกนักบวชทั้งหลายใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเขาพูดกันแพร่หลายในประสูต่างๆในี้เยะอาวัตนียามนเ้ยสมณะโคดมนี่มัน เหมือนคล้ายๆกัจะให้พระพุทธเจ้าเราเป็นผีบุญได้ไม่เทศได้ยังไงคนอื่นไม่เห็นนับถือใครพระสมณะโคโดมไฟเทศนับถือได้โจล่งกริมานไร้กาศข่าคนไม่รู้เท่าไหร่พุทธเจ้ารับสั่งสองประโยชนขายได้อันนี้มีมนแน่เลยลมีมนมีมนกลับใจคนแน่เลยเพราะงั้นเหล่านี้เป็นคําด่านะแต่ว่าถ้าในโวหารพระอริยะแล้วเนี่ยเขารับนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเกิขึ้นอยู่กับการใช้ อุบาลีขึ้นหบดีเองก็เคยถูกอ น, นี่โครนบุตรบอกเหมือนกันว่าถูกอวัตนีมายามนของพระพุทธเจ้าอุบาลีก็รับเลยแกบอกว่าจริงๆพ ร, ระพุทธเจ้านั้นมี อ, อวัตนีมายามน์จริงคือจะกลับความโง่ความเข่าของคนให้กลายเป็นความฉลาดรู้ยิ่งเห็นจริงถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็แก้ไปออกอี ก, อกทางหนึ่งคือเอาคําด่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่คํานี้เดิมทีเดียวเป็นคําด่านะฮะไ ม, ไม่ไม่ได้หมายความคํายกย่องอะไร แต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอารหันต์ก็ดีท่านเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แม้ได้คดาําด่าแต่บางทีก็ด่ามาเป็นชุดๆเนีฮะด่าเป็นชุดๆแล้วพระเจ้าก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ได้คือพลิกกลับไปเอาเอ า, เอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้แล้วให้คนมองเห็นอะไรมองเห็นพระปัญญาของพระองค์มองเห็นพระบริสุทธิ์ของพระองค์มองเห็นพระมหากุณาของพระองค์เองโดยคาด่าขนาดนั้นถ้าด่าคนอื่นก็กรดแล้ว พระพุทธเจ้ากลับรับแล้วก็อธิบายชี้แจงไปในแง่ที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์นี่ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องหนึ่งสมัยหนึ่งที่เรามองภาพของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ท่ามกลางคนที่จะจ้องอทำลายล้างนะฮะพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนี้มาตลอดแต่ก็ใครทำลายอะไรไม่ได้นอกจากพวกเราทำลายกันเองหรือที่เขาทาลายนั้นก็ทาลายแบบ สรารพัดเข้ามาเป็นพวกเนี่ยฮะแล้วก็แอบแทงข้างหลังตรงนี้ก็ไปไม่ค่อยรอดสักทีเหมือนกันก็เล่นลดจำนวนศาสนิกลงมาจากพ5 0 0กว่าล้านนเหลือ511ล้านน่ะทุกวันเนี้ยก็นี่ฮะเพราะว่าพวกเราทำลายกันเองนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ถูกอำนาจอิทธิพลทางการเมืองทำลายหนึ่งถูกอำนาจลัทธิศาสนาอื่นเข้ามาผสมผสานทาลาย เลยตัวเลขลดลงมาเป็นพันเลยเป็นพันล้านนะฮะไม่ใช่พันไม่ใช่พันคนเรื่องนี้จึงกลายเป็นแบบเป็นหลักอีกแนวหนึ่งในการศึกษาธรรมะตอาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี